สุนัขละอัล <chuck> ฮ <le> ัมดุลิลลอฮิมะอัลฮัมดุลิลลอฮิรับมิลาเรมีนอัลลอฮุมะซัลลิยัลลอฮิมุ h a m ัสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮฺวะบารอกะตุช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของการอธิบายอันกุรอาน ในซูาะยังคงอยู่ในซูราะฮูดฮูดเนี่เป็นชื่อในบีในเรื่องการลงโทษ ต, ต่อชาวสมุรแล้วก็เวลาเรียนอันกุรอานมันจะมีประวัติเล่ากิซซอเนี่ยเป็นประวัติส่วนบุคคลกิซซ้อนะต่างกับตารีก การนี้ก็แปลว่าประวัติต้องกันเป็นประวัติศาสตร์เป็นศาสตร์เป็นความรู้ที่เกี่ยวกับประวัติต่างๆแต่กิซซอนนี่ยเป็นประวัติบุคคลที่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังในอัลกุรอานอย่างที่เรารู้นี่นะแล้วก็เรื่องที่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังในอัลกุรอานนั้นเป็นประเด็นสาระที่อลัลลอฮ์ได้นํามาเพื่อให้ข้อเตือนใจแก่พวกเรา ว่าระหว่างผู้ศรัทธาต่อแลว ก, กับผู้ที่ไม่ศรัทธาบทสรุปของชีวิตเป็นแบบไหนอย่างไรเราก็จะได้ยึดเป็นเป็นตัวอย่างเป็นข้อเตือนใจสำหรับการใช้ชีวิตของเราวันนี้นะอายะที่หกสิบหกถึงอายะที่เจ็ดสิบเอาเอ่านเลยก่อ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمه منا وَمِنْ خ ِ ت ْ ل ِ ي َ و ْ م َ ئ ِ ذ ٍ ي َ و ْ م َ ئ ِ ذ ٍ إِنَّ رَبَكَ ّ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَلْمَطَيَغْنَوْفِيهَا لَإِنَّ سَمُودَ كَفَرُ رَبَّهُمْ أَلَا بُدَلٌ لِسَمُودَ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قال سلامو فما لبس أن جاء بإجن حنيز فلما رأى ليهم لا تصل إليك رهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا ت خ ف อินน้าอุรสินน้าอิละก้าวมินุต <ود> ฟังมาจะเอา أمر น้าแปลว่าไงป้าแปลว่าดังนั้นอเป็นการเป็นการเชื่อมต่อประโยคก่อนหน้านี้แล้วก็เขาเชื่อมประโยคด้วยกฟาฟาดังนั้น ยะอัมรุนาเมื่อบัญชาของเราได้มาถึงบัญชาของเราคืออะไรคือคําสั่งของอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาคําสั่งของอัลลอฮ์นะครับบัญชาของอัลลอฮ์มาถึงพวกเราบัญชาของอัลลอฮ์ตัวนั้นคืออะไรคือบิอิฮลาคิหิม เดี๋วการที่อลัลลอฮ์บอกว่าจะทำลายคนที่ชอริยต่ออลัลลอ์ะไม่เชื่อไม่เชื่ออลัลลอฮ์สมัติาลาอัลลอฮ์ก็จะทำลายกลุ่มชนต่างๆเหล่านั้นเช่อนอะไรเช่นพวกอาร์ไม่เชื่อนบีฮูดอลัลลอฮ์ก็ทำลายด้วยพายุกระนำถึงเจ็ดวันเจ็ดคืนแปดวัน คืออยากเก็บไว้ถ้าเก็บไว้มันจะเป็นอะไรครับมันจะเป็นเนื้องอกทางสังคมที่จะทําให้คนเลวก็ต้องทําลายในยุค ข, ของนบีโซเลวพวกสมุทรมาเชื่อนบีโซเลเราก็ทําลายให้มีใบหน้าเปี่ยนสีเป็นเหลืองเป็นแดงเป็นดําแล้วก็มีเสียงกามาหน้าเสียงกามาหน้านี่นี่คืออะไรในยุค ข, ของนบีรูดก็ทําลาย อบดุลเลือดก็ทำลายอัลลอฮ์วกว็ทำลายกลุ่มชนของน บ, บีลเลที่ไม่เชื่อนั บ, บดุลเลอดอัลลอฮ์จะไม่เก็บชนเหล่านี้ไว้เพราะอะไรมันเป็นเชื้อของการสืกต่ออัลลอฮ์แต่ว่าจะทำลายในรูปใดก็เป็นความประสงค์ของอัลลอฮ์สุมาตาลานจัยนัสาลิฮันเราได้ให้เลยครับ นัดใจนาะคือเราได้ให้พ้นให้ใครพ้นซอลิฮันนบีซอลแล้วรอดพ้นรอดพ้นจากอะไรจากการลงโทษของพระองค์รอดพ้นจากเสียงกับฏและใครอีกที่เาลาได้รอดพ้นวั ล, ลีนาานาาาออมมููบราามมติินรวมทั้งบรรดากลุ่มชนผู้ศรัทธาที่ศรัทธาต่อนบีซอลแล้ว อลอฮิสซลามงั้นเราต้องเลือกที่จะอยู่กับคนกลุ่มที่ดีๆจะอยู่กับกลุ่มคนที่ไม่ดีเวลาลงอาซาบคนนู้นมันโดนเราด้วยนะอยู่กับกลุ่มที่เป็นคนดีอยู่กับกลุ่มของนบีซอละมีผู้ศรัทธาร่วมกลุ่มอยู่ด้วยอลัลลอฮ์ก็ให้อยู่รอดปลอดภัยตรงนี้เราได้ความคิดว่าเราต้องเลือกที่จะอยู่กับกลุ่มที่เป็นคนดี สำหรับพวกเราคือกลุ่มที่อีมานต่ออัลลอ์กลุ่มไหนดีอา manually heart คนที่ศรัทธาต่ออัลลอ์ไม่เชิกต่ออัลลอ์วะ manually h และปฏิบัติภารกิจที่อัลลอ์สั่งที่ถูกต้องเราทำสองสาม ว, วาตาวาซาบิฮักต่างคนต่างตักเตือนกันแนะนำกันในเรื่องความถูกต้องที่เป็นอิสลาม ว, วาตาวาซาบิซอ และจะต้องต่างคนต่างตักเตือนกันนะ่ะด้วยความอดทนนะและให้มีความอดทนนี่คือกลุ่มที่ดีเพราะอะไรเราอ่านกูอ่านเสมอแต่เราอาจจะไม่รู้ความหมายจะเล่าบอกว่าวันออสเตรียนอินซานละฟีขุสขุสิบะคาทุนอิลลัลทีนัอามานูอามิลุสอัลยัดอามานูนอามิลุสอัลยัด ว่าว่าสาวิลฮักว่าจะว่าสาวิศษพบนี่คุณลักษณะของคนสี่สี่ประการกลุ่มชนนี่ต้องต้องอยู่แบบนี้นะถ้ามาอยู่แบบนี้อลล่ะรอทำลายงั้นที่เราอยู่ได้ทุกวันเนี้ยเราต้องคิดอย่างนี้นะไม่ใช่เรานะบิรหพมาติ ม, มินนา อยู่ได้ด้วยความเมตตาจากเราคือจากอัลลอฮฺสุบะตาลาไม่ใช่ด้วยอาหารไม่ใช่ด้วยยาไม่ใช่แต่ว่าเพราะรอะหมัดของอัลลงั้นป่วยไปรักษาหิวกินแต่จะอิ่มหรือไม่อิม่มจะหายจากโรคหรือไม่หายก็เบลาะห์มติ ม, มินนาเพราะความโปรดปรานจากอัลลอฮฺสุบะตาลาให้เรารู้อย่างนี้ พอแบบรู้อย่างนี้ปุ๊บเราก็เชื่อมต่อ إ ม م ا ن ของเรากับอัลลอฮ์ว่าไงพอหายจากโรคอัลฮัมดุลิลละพอหิวแล้อิมอัลฮัมดุลิลละนี่คือการเชื่อมต่อสํานึกของเรากับอัลลอฮ์สุบฮ า, า, านะลอลาที่มันต้องมีอย่างนี้เชื่อมต่อชีวิตกับคําสั่งของ Allah, อัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์บอกทุกเรื่องงั้นพอหิวก็อัลฮัมดุลิลละอัลลอฮ์ให้หิวเฮ้ย ห, หิวได้ไง ได้ได้ได้บทเรียนที่สอนใจในขณะที่เราหิวว่าเป็นยังไงยังไงยังไงเรืองเมื่อคนอื่นเขาหิวละ่ะเราก็ต้องมีน้ําใจกับเขาะคนอื่นเขาหิวก็ต้องมีน้ําใจกับเขาเพราะนั้นจะกินอะไรก็ตามถ้าเราคิดว่าเรากินหรือเราหิ้วมาแต่ไม่สามารถจะฝากคนอื่นได้ขอให้มิชชั่หน่อยนะอยากให้เห็นเดี๋ยวเขาอยากนยากแล้วก็ต้องแบ่ง ไ, ได้กินคนเดียว อ่าใช่ไแล้วแลห้ามถามสุตเดิมอะไรในถุงอ่ะโอ้โหมันต้องไปถามนะไม่ต้องถามอ่เหมือม น, มนกับจะไปไหนไมาถามไปไหนอ่ะไปกับใครอ่ะกลับเมื่อไรโอ้โหต้องตอบนานเลยเหมือนกับบอกว่าฟาสาลามถึงพี่น้องทั้งหมดเลยนะผมจะบอกว่าโอ้ผมไม่ไหวเดินบอกหรอก คือหนานี่เห็นพอพอเราหิวปุ๊บอากับกิริยาที่เกิดขึ้นจากความหิวเป็นแบบไหนเจอกับตัวเองมันจะซึ้งเมื่อเจอกับตัวเองเมื่อเจอกับความกลุ่มใจความเสียใจเจอกับตัวเองเราจะได้รู้ว่าความเสียใจของเราจากเหตุการเหล่านี้เป็นแบบไหนแบบไหนเห็นไหม เราจะรับรู้เรื่องราวที่เขาเล่าให้เราฟังอะ่ะมันไม่ซึ้งเหมือนกับเราเจอปรากฏการเหล่านั้นด้วยตัวเราเองงั้นอลานร้องให้เจออ่านทำดูลินละฉันรู้แล้วหิวเป็นยังไงอลาลร้องให้เศร้าฉันรู้แล้วว่าความเหงาเป็นยังไงใช่ไหมนี่เรารู้ที่ผมบอกว่าไงนะถ้าไปเล่าเรื่องปวดฟันให้คนอื่นฟังก่อนนั้นแหละเออ คุณฟังกันนะปวดฟันนะเอมีฟันก็อย่างนี้แหละพะฟันมันอยู่กันเหงาผ่านโมโหไปอีกต้องปวดเองถึงจะซึ้งและอันล้อก็ให้เราปวดเองทุกวันปวดฟันเมื่อที่ไม่ปวดก็หลุดไปอย่างกระทันหันมีความรู้สึกว่าเสียดายนะงั้นที่เราอยู่ได้เนี่ยพ้นจากภัยต่างๆเนืองเพราะเราอยู่ร่วมกลุ่มกับคนดี น่ในประวัติคุณอ่านบ่อยเราคคนกันคุณชุดนั้นที่ดีคืออยู่กันนบีโซและและที่ได้รับความปลอดภัยก็เิร็อมาติ ม, มินนาด้วยความเมตตาที่อลัลลอ์ให้มาไอคนที่ไม่ปลอดภัยคือคนที่ทรยศพวกสมุตใช่ไหมเสียงกำปนาตายแบบไม่ศรัทธาต่อ อ, อัลลอฮ์และสภาพการตายก็หน้าอัปยศอดสู อินนั้นรบบักฮัวอัลควอิยุอัล عزيز แนี้ที่ตายวันนั้นน่ะในประวัติในกิซซอคือก็สอดส่วนอัมเบียประวัติของมดานลามีจะเล่าให้เราฟังว่าคนตายในวันนั้นน่ะกี่คนจํานวนสี่พันคน ก็ไม่ใช่ตายหมดแต่รอดนะสี่พันคนอีมันนะที่ตายหมดที่เหลือที่เสียช้าตอนรอดนะสี่พันคนงานคนตายเยอะกว่าแสดงว่าไงคนฟาซิกคนชั่วจะมากกว่าคนดีแต่คนดีที่มีอยู่นั้นเพียงพอที่จะให้คําแนะนําตักเตือนคนที่ไม่ดีมันมีอัตราเพียงพอที่จะตักเตือนคนที่ไม่ดี นั้นสิ่งเหล่านี้ผ่านมาแล้วและเป็นบทเรียนที่ตอกย้ําว่าเมื่อวิกฤตของการทรยศต่ตอลราเกิดขึ้นก็ต้องเป็นแบบนี้แหละต้องเป็นแบบนี้วันมิลคดสิสเยาวมไอีดินและในความอดสูในวันนั้นอดสูสิอดสูใจ ม, ม, มันมันมันมันปวดร้าวตรงที่ไหนล่ะตรงที่ตายแบบไม่มีศรัทธาต่ออัลลอฮฺ จะไปเจอกับอัลลอฮ์จะตอบคําถามด้วยความรับผิดชอบอย่างไรว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าของเราอยู่ในกุโบโก็ตอบไม่ได้แล้วมารับบุกา้าใครเป็นพระเจ้าของท่านเราจะตอบได้ว่าอัลลอฮูรบบีตอเมื่อเราเชื่อต่ออัลลอฮ์จริงๆใครเป็นนบีของท่านสมัยก่อนก็ตอบนบีใครนมีใครแต่ของเรามุฮัมมัดเป็นนบีเรา น, นี่นี่คือเราตอบคําถามจากศรัทธาที่เรามีต่ออัลลอฮ์ ที่มันถูกเพราะบุมในจิตใจถึงวันหนึ่งเราตอบได้เพราะอีมานวันนี้บางทีเราตอบคำถามจากความจำไม่ได้ผมเคยบอกแล้วว่าบางทีมันลืมนะเข่าของเนี่ยวางที่เราก็ลืมหาไปเจอพอมันจะเจอมันไม่น่าจะอยู่ตรงนี้เลยแต่ความศรัทธา ม, มั่นที่มีตอลอดที่มันฝังลึกอยู่ในหัวใจของเรานั้นจะจาเราจะจำสิ่งเหล่านี้ตลอด เราจะจำตลอดแล้วเราก็หาโอกาสหรือโอกาสที่เรามีอยู่นบีก็ับมาเนี่ยมาตาเนี่ยมักบูดุนกาซีลูมินัน น, นัมีหนะ้ามัอยู่สองอย่างที่คนส่วนใหญ่จะไม่เห็นคุณค่าแล้วขาดทุนคืออะไรอัซเซฮาตุสุขภาพดีวัลฟารอกและโอกาสเรามีสุขภาพดีเราจะไม่นึกเนหะ ถ้าสุขภาพดีแล้วนึกอทำดูดีแล้วเราใช้อะไรประทามรูสุขภาพดีสุขภาพดีเราทำอย่างนั้นและโอกาสพี่น้องผมเป็นคนนักถึงสี่ไม่ต้องขับรถจะเรียกสีไหนก็ได้แต่มีคนแต่สีหนึ่งที่จะไม่เรียกต่อไปคือสีเหลืองกับสีเขียวพ อ, อไร้พอเรียกม่บอกไม่ไปไม่ว่างไม่ว่าง ไ, ไม่เอา แล้วเหมือนกับแท็กซี่คันอื่นก็บอกว่าป๋าอย่าไปเรียกในสีเขียวกับสีเหลืองมันเก่าวันนี้ผมต้องเลือกสีเขียวเหลืองไม่เรียกแหละสีเขเส่วนบุคคลใช่ไหมงั้นช่วงเวลาโอกาสที่เราอยู่ในรถเนี่ยเราไม่ได้ขับรถก็สุฮ a n นั่งรอไปสิทำดูแลไปสิเราแวะไปสิเรานึกถึงเรื่องต่างๆได้ะ เ, เห็นคนขับถ น, นน แล้วก็รู้ว่านี้นี่เป็นบทเรียนอิสามสอนอยังไงแต่ปรกากฏการข้ามถนนมันเป็นยังไงเราได้รับบทเรียนต่างๆเยอะแยะบางทีไม่ได้ตั้งใจเห็นก็เห็นบางทีแท็กซี่เล่าให้ฟังเราก็ได้รับแต่ประสบการณ์เยอะนะคือจริงๆมันไม่มีตังแล้วก็บอกว่าไม่ชอบนั่งแท็กซี่นะก็ก็ไม่ชอบตั้งแต่นานแล้วแมนะ่ก็นั่งแบบนี้ไม่ต้องยุ่ง แต่นี้ท้ายสุดมึงไม่ศรัทธาต่อเรารู้ใช่ไหมหายะนะหนงรู้แล้วว่าเราต้องเกาะกลุ่มกับอามาโน่คนเกาะกลุ่มเป็นคนที่สอนแล้วคนสอนแล้วกับคนที่อิสลานต้องเกาะกลุ่มกันและเราเวลาเขารู้เกาะกลุ่มคนนี้เราก็พยายามที่จะไปเกาะกลุ่มเขาด้วยและคนกลุ่มนั้นก็พยายามที่อะไพยายามที่จะได้ว่าอิสลามบอกอิสลา ม, มา ก, กับคนที่เขาไม่รู้อิสลามด้วยอะไรด้วยความสุภาพนี่คือโอกาสนี่คือโอกาสที่เราให้เรา อินลอบกฮุวักวยุอซีแท้จริงพระเจ้าของพวกท่านคืออัลลอห์นั่นแหละอัลกาวิอยู่ผู้ทรงพลัง อ, ลอัลอาซีสผู้ทร ง, ง, งอำนาจอัลลอฮ์ผู้ทรงพลังผู้ทรงอำนาจงานที่อัลลอ์สั่งทำไม่ยากเลยจะให้มันเกิดอัลลอ์บอกคุนจงเป็นไฟกูลต่อจากนั้นสิ่งเหล่านั้นก็เป็นขึ้นไม่ได้ยาก นักทวีตนะให้เราจับตามองข้อความในอันก the ูร์อ่านว่าทําไมล่ะอินนารบบาก้าแท้จริงพระเจ้าของท่านทําไมไม่พูดว ka ่าอ <spans S 1> ินนัลลอฮะอัลลอฮ์คือพระเจ้ารบบาก้าก็คือพระเจ้าการังจะบอกอะไรในยะของตัวอายะกูรอ่านอักษรในอันกุรอานกําลังบอกว่าทําไมไม่พูดว่าอินนัลลอฮ์แท้จริงอัลลอฮ์อินนารบบาก้าพระเจ้าของท่านคือใครคืออัลลอฮ์ทําไมไม่พูดว่าอินนัลลอฮ์ใช้ว่าอินนารบบาก้า กำลังจะกระตุ้นให้เราเกิดความคิดว่าอัลลอฮ์รับุนเป็นผู้ดูแลอัลลอฮ์เป็นผู้ดูแลเป็นเพื่อกลกเกือเก้อกูลที่อัลลอฮ์หมายนะอัลฮัมดุลิลัยรับบินอาลามาลีนอัลลอฮ์เป็นผู้ดูแลเป็นเพื่อผู้เกื้อกูลโลกทั้งโลกทั้งผองไม่ว่าโลกอะไรนั้นจะเป็นอาณาจักรของมนุษย์ของสัตว์ขอ ง, ของมดอะไรแล้วแต่อัลลอฮ์ดูแลหมดลองรังให้เราไปให้อาหารปลาทิเลสักวันแย่เนะ่ยปลาเนี่บ่อยยังแย่เลย ใช่ไหมเนี่ยอัลลอฮ์ดูแลหมดงั้นรับบุญงั้นอัลลอฮ์เป็นรับบุญอาลามีนวันโดนยานี้ยอัลลอฮ์มีศิฟารับมานดูแลหมดเลยจะเป็นกาเฟตไม่ผู้เทลยศ ต, ต่อเลาะผู้อีมานต่อเลาะอัลลอฮ์ดูหมดเลยในโลกโดนยานี้ย่าฮูดนาซอ ร, รอมายูซีพวกกุฟัรมุสติกินอัลลอฮ์รับมานดูแลหมด เพระนั้นพวกนี้อยู่ได้เพราะรอ้องมาสิฟ้าของอัลลอฮ์ที่รอ้องมาเนี่ยดูแลพวกเหล่านี้ถึงจะไม่ได้เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ก็ตามแต่รอฮีมอัลลอฮ์เจะจงที่จะให้การตอบแทนความดีเฉพาะคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เท่านั้นในวันกิยามะงั้นวันนี้บางคนบางคนอิมานน้อยหอยว่าทำไมคนนั้นไม่ละหมาดมันถึงรวยล่ะอ่าไม่ใช่ เอเล่บอกนะอันาอันนบีบอกไงนะถ้าโดนยานี้มีค่าสําหรับชีวิตแล้วเนี่ยสําหรับผู้ต้องปฏิเสธอเล่แล้วสําหรับชีวิตแล้วเอเล่ะจะไม่ให้กาแฟได้ดื่มนะ้ําแม้แต่สักอึกเดียวก็ไม่ให้ดื่มถ้ามันมีราคาโดนยามีราคาแล้วนะเนี่ยกาแฟจะไม่ได้ดื่มนะ้ําแม้แต่สักอึกเดียวแต่วันนี้โดนยาไม่มีราคาเดี๋ยนู่นสาเดี๋ยวนี้พังเดี๋ยวนี้เสียเดี๋ยวสารพัดเสียหายหมดคนก็เสียตาย ใช่ไหมงั้นร้อมาอลร้องให้หมดไม่ศรัทธาต่อร้ อ, องก็ร้องให้รวยได้ให้มีฐานให้ความมีตําแหน่งอะไรได้แต่อัลลอฮิมอัลอตจะจงเฉพาะคอสตูลินมุมินีนะ่ะเย้ามันกิยามะจะจงสําหรับคนที่เป็นมุมินเท่านั้นในวันกิยามะงั้นเราต้องต้องเดินตัวให้ถึงคําสั่งอัลลอตอย่าเอาความมักง่ายและเอาอารมณ์ เป็นตัวต้านเานานารนะาบอกนั่งกว้าว่าไงานะเวลาตัตตาบะอาหัวอารมณ์ทัณฑะยะตามอารมณ์อาหัวเราไม่ได้บอกหวัวาหวัวเป็นอารมณ์เดียวแต่อาหัาเป็นทะเลอารมณ์ที่มาเกิดขึ้นกับตัวเราโยะยะยะตามอารมณ์มันมาอารมณ์ยังงวนอารมณ์ยังให้มันมาแต่ตามไม่ได้คาสั่งอัดหรอตามคําสั่งของอัดหรอย่างเดียว อย่าตามคําสั่งคนอื่นนี่นี่คือคือคือชีวิตของคนที่เป็นมุมลิมเอ้าเราตามคําสั่งาอาัลลอฮ์อย่างเดียวเราไม่เอาใครยังไงคําสั่งขาอาัลลอฮ์แหละบอกว่าเราต้องเอาใครเราต้องไม่เอาใครเราต้องอยู่ในโดนยาแบบไหนใช้ชีวิตแบบไหนคําสั่งอัลลอฮ์เป็นคําสั่งที่วางแผนชีวิตให้กับเราทั้งหมดไม่ต้องไปเอาแผนชีวิตของใครแล้วมาปฏิบัติทําอย่างเดียวอามานุวะอามิลุซัยฮัตศรัทธาแล้วปฏิบัติเนี่ ผู้วางแผนเด้กับเราคืออัลลอฮ์สุบฮานตะลาแล้วนบีก็มาประกาศอิสลามกว่าจะผ่านมาถึงเราถึงสฮาบะเลือดตกยางออกเพราะคนเกลียดอิสลามทําไมเกลียดอิสลามอิสลามเข้าไปทางไหนจะปรับความยุติธรรมให้เกิดขึ้นกับสังคมนั้นนบีอยู่กับคนใช้ไม่เคยด่าคนใช้ไม่เคยแบ่งชั้นวรรณะว่าคนใช้ต้องกินอาหารอีกแบบหนึง่งแต่เจ้านายต้องกินอีกแบบหนึง่งไม่ ไอ้ น, นักฮินดมาลิกเนี่ยเป็นคนใช้ที่บ้านนะผู้รับใช้ในบ้านนะบีไม่เคยถามว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้นไม่เคยวาจาแบบนี้นะบีไม่เคยมีกับคนที่รับใช้ในบ้านกินอาหารด้วยกันมีอะไรก็กินเหมือนกัน ไ, ไม่ได้แบ่งชั้นวรณะไม่ได้แบ่งเพราะการแบ่งชั้นวรณะมันเป็นเรื่องของใครของพราหมณ์นะเป็นของพราหมณ์เป็นของฮินดูนะเป็นอะไรกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรที่เราเรียนกันมา นันแบ่งชั้นวรรณะเพราะเราไม่แบง่งเพราะเราไม่มีแบ่งจนก็อทำดูแลเป็นโอกาสของคนรวยที่จะได้เกือ้อกูลรวยก็ทำดูแ ล, ลเป็นโอกาสของเราที่เราจะได้เจอจุนคนอื่นนี่เราต้องคิดแบบนี้คิดแบบอิสลามนะต้องคิดแบบอิสลามงั้นเข้าใจแล้วต่อไปเวลาอ่านอัลกุรอานเจออินนารบบะกะฮุวรรกอวียุลลซีแท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้าเห็นไหม รอ บ, บุญดูแลแล้วก็ออกคำสั่งให้เราปฏิบัติต่อไปต า, ไาตายหมดเล ย, ยมันระบบเสียหายหมดเนี่ยคนเวลาเราหูแตกระบบประสาทละตรงสายตามันเชื่อมโยงต่อระบบประสาทหมดตายหมดแต่ไม่ได้เสียงเบา ๆ, ๆเราโดน อันนี้แหละีแหะร้อนสดวบากอเดียเดี๋วต้องสุไหมวันนั้นคุตาบ้าที่คองเทนตชั่วโมงหนึ่งรอเนื้อกุรบันเปือย โอ้โหัมดูลินละเนื้อหาเราพูดในสามชั่วโมงแต่เหงื่อมันออกครึ่งชั่วโมงมันร้อนด้วยเลยบอกกับผู้ฟังว่าพี่น้องคนไหนข้อแข็งแข็งเอาน้ำเย็นเอาน้ามาสักแก้วนึงมันก็เอามาให้พอจะกินน้ำร้อนเผาเลยโอ้โหให้มาเหมือนจะให้กินตอนบ่ายมาชาลอัมดูลินละทำไมถึงทำกับฉันได้ รอรอเนื้อกุระบันสุขคุตะบ้าวันอิฐทำตัดเลี้างทุกทีนะจะรักกันหรอขอให้ยู่ยืนอลร่วมตอวินหัวซอฮีอาจซาดาสุขภาพดีเปลี่ยนเป็นน้ำขิงเป็นน้ำขิงด้วยนะอะไรนี้อ๋อที่เขาเรียกขี่สิงใช่ไหมขี่สิงขิงฟี ดีๆทำนี่และอ๋อหนะารู้ไว้นะ <c oughs> อลอรับผู้ทรงอำนาจให้เป็นไงก็ได้ให้ <c oughs> ยัมายับยั้งอำนาจเราล้อไม่ได้หรอกอ่างั้นในทุกชีวิตของมาดานบีที่ทำหน้าที่ได้ว่าอิสลามมันจะมีคนทรยศแบบนี้แหละไอ้ <c oughs> คนอีหมาก็ได้ดีไปคนทรยศก็ตกมารกไปแล้วสิ่งที่อยากจะบอกกับเราก็คือว่าในสิ่งที่ล้อบอนะ่อนั้นอัลกุรอานมันมีสถานที่ ที่เราสามารถพิสูจน์ได้ดูอาชาบุนกาฟี่ที่เพาาื่อทำของที่นีพวกมีอำนาจที่จะปลดอิมานออกไปไ ป, ไ ป, ไปอยู่ในถ้ำตั้งสามรอกว่าปีมีสถานที่อยู่สมัยทีมีลูดเป็นไงมีรีวาดกันมีอะไรมีเลกัสพิกแผ่นดินใช่ไหมมีทะเล ดฟซีทะเลตายไม่มีสิ่งมีชีวิตวาออซิเบกามิชันเนีวาชันเียมาโอรุเซลาร์บีโอเคต่อไปเนอินนารับบัคกะล้วะอินนารับบัคกะฮูวัลกอวี่อยูลาซีตอ่าแปลไปแล้วนะนี่็ไม่ได้ คำตอบแบบนี้บอกว่าอินนารอบบากาเนี่ย <c oughs> อัลลอฮ์กำลังขีตออ่อคือคือพูดบอกกับท่านอับดุลเบี๋มวะฮัมมัดซอนสลัมอินนารอบบากาแท้จริงพระเจ้าของท่านคืออัลลอฮ์รับบุญยังไงทำไมที่ได้รบับบุญเพราะอัลลอฮ์ดูแลบริบาลทั้งหมดอัลลอฮ์ก็คืออัลลอฮ์แต่เราเนี่ยนะไม่จํานามเชื่ออัลอฮเก้าสิบเก้าพนามไม่จําทุกวันนี้น่าจะน่าจะฝึกเด็กให้จํานะ ต่นี่ที่บอกอินน่ะรอบบาก้าเนี่ยแทย้จริงพระเจ้าของท่านคืออัลลอฮ์นี่ยพ่อะได้ล่ะเป็นการบอกกับท่านใน บ, บีมุฮัมมัดสุลัสลัมว่าไงนะเ<ม>วลาอัลลอฮ์พูดแบบนี้รอบบาก้าหนึ่งเพื่อปลอบใจ<ม>บอกมาตังกัวคนดูแลเราพูดดูแลเราคืออัลลอฮ์สองเพื่อให้ความเชื่อมั่นว่าเมื่ อ, ออัลลอฮ์บอกแบบนี้ต้องได้แบบนี้<ส>งั้นรอบบาก้าตรงเนี้ยใช่ไหมก้าตรงนี้ก็เรมที่ตอบแท้จริงพระเจ้าของท่าน พระเจ้าของมุฮัมมัดหรืพระเจ้าของนบียุคก่อนทั้งหมดหรือของเราเนี่ยเพราะอลไรหนึ่งทําไมใช้คํานี้ยักษ์ชาวซีดอธิบายว่าหนึ่งเพื่อเป็นการปลอบใจรับพระพระเจ้าของท่านนะเหมือนกาชิดใช่ไหมสองเพื่อให้ความเชื่อมั่นว่าเมื่ออัลลอฮ์บอกแบบนี้ไม่ใช่คนอื่นบอกอัลลอฮ์ให้เป็นแบบที่พระองค์ทรงบอกถ้าคนอื่นไม่แน่ วัลกอวี่ผู้ทรงพลังงานที่อลัลลอฮ์ทำไม่ยากพอเอร า, าบอกกุนจงเป็นไฟกูลสิ่งเหล่านั้นก็เป็นขึ้นมารับที่เป็นขนทคปั้นพวกตายไปต้องอเาวิญญาณก็ไปเรียกวิญญาณคุ้ปั้นใช่ผู้ทรงพลังออัลอาซีดผู้ทรงอำนาจคือทรงอำนาจของอลัลลอฮ์เนี่ย ไม่มีอะไรที่จะมาชมนะอะไรชนะอำนาจของพระองค์เลยกอลิบส่งอํานาจที่กอลิบคือไม่มีอะไรที่จะมีอํานาจที่จะมาเปลี่ยนแปลงอํานาจของพระองค์ได้งั้นเราเป็นไงขอก็อขอต่ออัลลอฮ์จะทําอะไรก็แบบที่อัลลอฮ์และเราสูญสั่งนี่วิถีเราต้องยึดให้มั่นงั้นเวลาจะตายก็ต้องบอกว่านแล้อีละอีละลอ ให้อยู่กับคำสั่งขอร้องประโยคสุดท้ายเหมือนการอาคีรุกะรามีเลยอะไรแล้วล้อดะขลันจันนะประโยคสุดท้ายของคนที่บอกว่าเลแล้วล้อจะได้เข้าสวรรค์แต่สิ่งที่น่าห่วงก็คือว่าเราจะมีโอกาสได้ว่าได้หรือเปล่าบางทีบางทีความตกใจที่เห็นเมริกันมูดหรือเห็นบางทีปรากฏการณ์ที่ชายตอนเอามาหลอกลวงบางทีอาการของโรคกลายที่เรามีอยู่กับตัวเราเรามีโอกาสจะคิดถึงประโยคนี้ไหมบางทีลืม นะลืมอย่างมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมอเตอร์ไซค์ล้มหรือชนกันหรือตกมอเตอร์ไซค์เราบอกโอ้เจ็บะดูแต่ว่าคำสั่งของนยบีที่สั่งลืมให้บอกว่าก่อนอ่าฮามดุลิลละอินนาลิลละวะอินน่าอิเลยรอจุนอัลลอฮุมะจุบหนีฟีมุสีปฏีวะคลิบลีคอยรามินาลืมไปอยู่ตรงโอ้โโอ้ยเนี่ย นี่คือชีวิตจริงวเวลาไม่กินเกิดขึ้นคําสั่งขอร้องมาทันไหมทำแล้วเปล่าไม่ทันว่าอินนาเรียแล้วใ น, นรอจุนว่าเปล่าไม่ทันว่ากําลังบอกว่าเราเป็นธรรมสิทธิ์ขอร้องแล้วต้องกลับไปสู่พระองค์แล้วก็อัลลอฮุมะจุนีฟีมุซีบัตีขอร้องประทานรางวาัลตอบแทนกับฉันที่ฉันได้รับบททดสอบในวันนี้ วักลิฟตีคอยรามินหาและขอพระองค์ได้ประทานสิ่งที่ดีกว่าให้กับฉันด้วยต่างไหลายวัลืมไหมลื ม, ลมไปอยู่ตรงไหนอ่ะดูอุ้ยนี่ไปอยู่ตรงเนี้ยเสียเวลาไปตั้งนานเพราะอะไรเพราะเราไม่ติดไง เ, เราไม่ติดเพราะเราไม่ได้ฝึกถามว่ายากไหมไม่ยากยาวไหมไม่ยาวแต่ถ้าไม่ว่าไม่ได้มันมาไม่ทัน มามีทานอุยมาก่อนนะต่อไป <c oughs> ว่าข้อดังที่นั่งดลมุสไซฮะตูนะนี่ก็เป็นประวัติที่เชื่อมโยงกับที่เราเราเราผ่านผ่านมาแล้ว อ, สอัสไซฮะตูใส่ฮับอะไรเสียงกำบันนา เดาข้อันลาดี้ได้ไรครับได้ได้ได้เอาคือไรได้ทําลายอาศัยตู้ที่เป็นแฟนอยู่ข้างหลังเสียงกำมนาดเดาข้อดัได้เข้าจัดการหรือทําลายทํำลายใครอัลลาซีนอลัลลอมูคนที่ฝ่าฝืนคําสั่งก่อนหรอเสียงกำมนาดนะเสียงกำมนาดี่เกิดจากฟ้ า, ฟาผ่าแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวเนี่ยเสียงกำมนาดนะมันแตกนิดน่ะ คำว่าซอยห้าแล้ว่าเสียงฟ้าผ่าหรือเสียงกำมะนาศเสียงหรือแผ่นดินไหวมันมีเสียงออกมาอันคุรานบางครัง้งบางประโยคใช้คําว่าซอยห้างเขาใช้คําว่าตอกียหรือซออีกก็มีบางทีมันชะตอเกียบางทีซ อ, ออีก ก, ก็คือเสียงกัมะนาศที่เกิดขึ้นงานตายด้วยเสียงนะตายด้วยเสียง <c oughs> บางคนไม่ได้เสียงก็มาหน้าราด่าเขาดาด่าด่าดเพื่อนมันตก ต, ตายตายด้วยเสียงด่าไม่หยุดนะ ย, ยด่าโดยไม่มีวากอบเลยเป็นผูต า, ตายคนตายเนียใช่ไหมฝาสบารูฟีเดียดิมยาซมีนคนหลนั้นก็กลายเปไ็นไยาซมีนน่ะเป็นผู้ที่นอนพังผ้าอยู่นอนแบบตายอ่ะนอนแบบไม่มีทรงอ่ะ นอนพังาพายู่ที่ไหนในบ้านของพวกเขาไปไหนไม่พ้นแล้วภาพผันตายที่เหมือนจะนสมับรูส์ชาของบีรูสตายเหมือนกัน ต, า, นต า, นายเห ม, ม, มือนกันแหละแต่ว่ามันเอาเอาทรงอะไรไม่ได้ใช่ไหมนอนพังภาาตายในบ้านของเขา <c oughs> การลัมย์นาอูฟีคาะป็นหนึ่งว่าเขาไม่เคยอยู่ในนั้นมาก่อนเลยมันไม่ไดมานอนตายเรียงๆหนึ่งแผ่นดินไหวก็รู้อยู่แล้วแต่กระจายไปใช่ไหมเสียงการมนาก็รู้อยู่แล้วความกลัวความตกใจมันก็วิ่งคนเราหนีก่อนแล้นะบางคนเสียงอะดางกับหนีก่อนแล้ว <c oughs> ว่าเเสียงอะด่างกับนี้แล้ว เขาอยากจะรู้ว่าสตันตัวแบบไหนดูคนลาอาจารออกนี่แหละนะตนทีก็ใส่เสื้อนอกทีก็ใส่ส้ร้อยสวยเนี่ยนตันใส่สร้อยกับสันตมีใส่สูทออกเลยเนี้ยสตันตัวผู้อ่างั้นจะดูสาตันมนุษย์เดีดูตอนตอนอาจารย์อ่ะพอไดเวลาเรียกสุกาลมาอิรานุยงโซลามิยะ ให้เราฟาสเอาเวลาที่กินแลกให้รีบให้รีบนะให้รีบไปหาที่ที่เราจะได้สิเกตต่อลที่บาดาต่อลเราใเราเราไปคือได้หรอเราไปเหรอเราไปลรามาที่บ้านไหมได้แต่โอกาเทอร์ลให้เลือกอ่ะตรงนั้นน่ะดีที่สุดยี่สบเจ็ท่ายิบเจ็ดเท่าเราเรามาที่บ้านเท่าเดียวบางทีก็มเือไม่เหลือครึ่งเท่าบางทีก็เป็นที่เท่าหมด ยี่เจ็บเท่าเนี่ยยังไงก็นเลยยี่สิบห้ายี่สิบสามสิบสี่ก็ยังดีสามสี่ลงพันธ์พายกี่ อ, อ่อคนใจบุญคนบาป ท, ที่ใจบุญคือมีบุญและนินทาเขาก็าเอาบุญไม่ให้เขานะให้เสียงกับมานากนะปันหนึ่งว่าเขาไม่ได้เคยอยู่ในนั้นมาก่อนอนะไละอละไรเราจะบอก ไปแจ้คุณหาที่ไหนอาลาเนี่ยอาลาเนี่ยจะกได้ดตรำบีเป็นคําเตือนพึงทราบเถิดนะพึงรู้เถิดพึงทราบเถิดอินน์สะมูดกาฟารูรับบะฮุมแท้จริงพวกสะมูดพวกสะมูดใ น, นสมัยน บ, บีไรน บ, บีซอแลแหลกาฟารูรับบะฮุมได้ไม่ปฏิเสธศรัทธา ต่อพระเจ้าของเขาของเขาเพราะอรบบอฮุมคืออัลลอสุมาตาลามันมีคนเหล่านี้อยู่ไม่เชื่อปฏิเสธซาทาอยู่นะบัวดันลีสมูดรพึงทราบเถิดจงห่างไกลาจากความเมตตาเถิดสำหรับเหตุกับพวกสมุตบัวดันเนเป็นมาอุตลักเลย แต่ จ, จงห่างไกลบวดันแบบห่างไกลจริงๆกับพวกของอะไของพวกสมุทรที่ถูกลงโทษเพราะไม่เอาคําสอนก่อนล้องั้นปรากฏการเหล่านี้อาจจะย้อนกลับมาโดนพวกเราก็ได้ปรากฏการที่เกิดขึ้นกับลบีฮุดที่นพวกอาร์ตในสมัยลับีฮุดอาจจะปรากฏ ก, การที่เกิดขึ้นกับเราก็ได้งั้นต้องบวดันต้องห่างไกลจากความประพฤติของพวกอะไรพวกสมุทรพวกอาร์ตเพราะการลงโทษแบบนี้ไม่ได้บอกว่า ลงโทษคมกุงก่อนหน้านี้แล้วจะไม่ลงโทษคมคนอื่นหลังจากนี้ไม่ได้บอกฮะงั้นเราต้องเลือกอยู่กับกลุ่มคนที่ดีต่อไปววลาการเดชะอัลลุสุลูนาอิบราฮิมบินบุชราานูสเลามะ ท่ล า, าล่าสุ่นฟ้ามาลบิสันจาบิอิจลิฮานิศและแน่นอน ล, กอลตตักก็ติตากี้อีกแน่นอนกอต็ตแปลว่าแน่นอนอยู่แล้วลามเข้ามาใส่เป็นการตอกย้ำอ่ะและแน่นอน บรรดารอซูลของเรามายังมาหานาบีอลบรอห์ฮิมรอซูลในมาห า, าบอบดุลบรอห์ฮิมรอซูลตัว น, นี้คือบรรดามเามเลกะสเมเลกัสมาหาอบีอลบรอหฮิมทําไมเรียกว่ารูซูลูนาละ่ะรอซูลมันน่าจะจําเป็นคนแต่กูนาบอกว่าบรรดารอซูลของเรา คือหมายถึงมลายกาสได้มาหาใครครับมหานาบีอบบรอฮิมใช้คําว่ารุซุนรอซุนหมายความว่าไงมีความหมายว่าถูกส่งมาจากอัลลอฮ์รอซุนที่เป็นมนุษย์ก็ถูกส่งมามนุษย์ถูกส่งมาสอนมนุษย์รอซุนที่เป็นมลายกาก็มีความหมายว่าอัลลอฮ์ส่งมลายกามาหาท่านอบดีอบบรอฮิมส่งมาหาท่านอับดุลเบียบมุฮัมมัดสุลต่านที่มาสอนอิสลามมาได้มาถามว่า มันอีมามันอิสลามมันอมามันเอซานหรือเมลิกัดมานบีก็ตอบตอบตอบมาถามคําถามนบีก็ตอบเพื่อเป็นการใดสอนบรรดาคนสาบาบสาบาบที่อยู่รอบข้างแต่นั่นแหละคือได้เมลิกัถูกส่งมาแล้วมาตั้งคําถามถามใช่ไหมงั้นมังมีความหมายว่าถูกส่งมาจากอโลกคือหล่อซูลไมลิกัดก็คือรล่อซูลมาให้บรอฮิม นะมหานบีบรอฮิมแตอนนี้มหานบีบรอฮิมเนี่ยใะอันโกลาไดบอกว่ามาบอกพร้อมกับมีข่าวดีมาบอกวินบุชรอคือว่าจะมีบุตรที่ชื่ออิสชากและจะมีหลานชื่อยักกุบนบีอิชากกับมบียักกุบนะมาบอกให้รู้ อ่าใช่อ่าเชื่อสายอยู่อายาที่ไรหกสิบเก้าหกสิบแปดหสิบเก้ากอลูซาลามันกอลูซาลามันพวกนั้นได้กล่าวกับอิบราฮีมคืออะไรคือเมล็ดขัดพูดกันบนบีอิบรอฮิมว่าซลามันคือให้สาลามเนี่ย นะก็รูซาลามันมาให้สาลามนี่คือคือข้อปฏิบัติอย่างหนึ่งว่าอะไรนะว่ า, าเจอกันก็คือซาลามันก็รูซาลามุลซาลามุลคือมีความหมายแต่เมื่อคือซาลามุลอะไรกลุ่มซาลามันซาลามุลอะไรกลุ่มให้สาลาม ก็สลามอะไรกลุ่มอย่างที่เราให้กันเนี่ยงั้นประโยคนี้ของการทักทายเนี่ยการมาเยี่ยมเยียนเจอพวกาป่เจอเจอเนี่ยมันก็เป็นประโยคที่ใช้มาตั้งนานตั้งแต่สมัยนบีบรหีมาแล้วส่งต่อถึงท่านอับดุลเบลมาสุลสลามส่งต่อถึงอุมาของท่านอับดุลเบลมาสุลสลามจนกระทั่งถึงวันกิยา ม, มาสลามั น, นะอุลมามะตักซีบเนี่ยประมวลในเรื่องราวอ่าทําไมให้สลามล่ะเน เพื่อความสนิทสนมบรรยากาศของคนที่เป็นมุสลิมมันมีบรรยากาศเดียวกันที่เป็นความสนิทสนมความรักและความพึงพอใจก็คือให้สลามทําไมล่ะเพราะเนื้อหาของการให้สลามอัสสลามอะไรกุ้มเราพูดประโยคนี้ด้วยเนื้อหาด้วยความผูกพันที่สนิทสนมด้วยความรักด้วยความพึงพอใจเพราะฉะนั้นหลังจะให้สลามต้องไม่นินทาเจอหน้าอัสสลามอะัยกุม ดูกระว่อะไรกุมุสลามโูแต่งตัวม่เคยเห็นชุดนี้เลยเวลาเวลามาในกันให้สลามก็อ <c oughs> ๋อละน บ, บีประยุกต์กับวะซาลามุนคือตอบว่าสาลามุนก็หมายความว่าอะไรสลามุนอะไรกุ้มขอความสันติสุขจากใครขอจากใครจากอัลอลอฮ์อะไรกุ้มได้ประสบกับพวกท่านทั้งหลาย มีคนถามว่าอาจารย์เจอคนเดียวให้สลามมือสลามลามืออะไรกุ้มได้ไหมได้ถึงแม่กุ้มไปเอาพวกท่านทั้งหลายแต่เป็นคนเดียวลิตาซีนเพื่อเป็นการให้เกียรติไม่ต้องไปเล่นนะหูสรับล็อกเดี๋ยวพลาดสลามมืออะไรกล้าพอเจอผู้หญิงอสลามลามืออะไรกี้ยุ่งเลยสลามอะไรกุมเรียบร้อยคมหมดเหมือนละเบิคนตายอ ล, ลองลาามาฟิดระหูว่าเราทำหูอ้วฟีวฟูอนหูพอไปผู้หญิงอ ล, ลองฟิดฮาว่เราทำฮาว่ า, าว่ายุ่งหละ ใช่งั้นอา่านดูอาต้นเดียวเลยละมาดคนใต้เอาลองมาฟิละหูวัดห้ามหูผู้ชายก็ห้ามหูวัดห้ามหูผู้หญิงก็ um ah hu, เอาลองมาฟีละหูวรดห้ามหูพระอะไรเพราะสัพพน้ำที่เป็นผู้ชายมันคุมถึงผู้หญิงด้วยอาริย์กาวาโมในลันาลานิสาผู้ชายแหละคุมถึงผู้หญิงต้องครอบคุมดูแลผู้หญิงงั้นโดเมนสัพพน้ำผู้ชายคุมถึงผู้หญิงด้วย เราสนิทชินกับฟีลวเราู้พผู้หญิงเราฟีลเาฮาเราทำฮาหวานฟีฮาหวาฟูหวานฟูหวานฮายุ่งเลยนะนบีรก็บอกว่าสลามุนคือสาลามุนอะไรกลุ่มฟะมาบีะอันญ่อับดอิลินฮานิดนบีบรอกีไม่ล่าช้าเลยนะไม่ล่าช้าต่ออะไร คือน่ยคือธรรมเนียมของอาหรับเนี่ยธรรมเนียมของคนมุสลิมเนี่ยเขาจะมีการต้อนรับเวลามาก็มีการต้อนรับนะ บ, บิบิมอิงก็ไม่ล่าช้าในการต้อนรับด้วยไรดีเอเชลินฮานิดหมายความว่าไงเอ า, เอาเอาลูกหัว อ, อนอ่อนมาย่างเลยเริ่มจัดการเลยเอาลูกวัวมาอนอ่อเนื้อมัน น, น, นนุ่มนะเอามาย่างเพื่อรับแขกย่างแล้ว น, นายต๊อกซีอธิบายว่าย่างก็ะทั้งมันมันหยดโอ้โหน่ากินนะหอมาการมเคยอ่านนีคือการต้อนรับแขกี่นานระเีรออิอ่าใช่ย่างหัวการต้อนรับแขกดีระเีโรอ่เอ๊เขาแข่งมาบ้านต้อนรับเราไม่ต้องถึงหโอ้ยเอาแบบรบียบรอิมหลืย่างัวโอ้โยเอาที่ไหนนะขนมก็ได้น้ำก็ได้อาละเป็นการต้อนรับ อัธยาศัยที่มีมีปฏิงั้นทานนี้ยินคื อ, อได้มามาสวียินมาสวีนแต่นี่พอย่างเสร็จจะให้เมลิกัสกินเนี่ยตอนแรกไม่รู้หรือ ว, ว่านึกว่าเป็นผู้คนทั่วๆไปแต่อันกราร์บอกว่าฟลัมมารอาไอเดียุมลาตาซิลูอไลพอสังเกตดูแล้วเนะ่ะ แท่้นมือของพวกเขาคือเมริการ์ไม่ได้ยื่นมือไปที่ไอเนื้อเนื้ออะไรเนื้อแพะที่ย่างเลยเอ๊ะไม่มีใครสนใจที่จะยื่นมือไปหยิบเนื้อแพะมากินเลยนั่นเป็นสิ่งบอกเคให้รู้ว่าไม่ใช่ไม่ใช่คนแล้วต้องเป็นไมริกาที่แปลงรูปมาเป็นคนแล้วรู้แล้วรู้งั้น มุมหนึ่งของชีวิตเราต้องรู้จักตั้งข้อสังเกตอต้องรู้จักตั้งข้อสังเกตเห็นเนี่ ย, ยสีหน้าแบบนี้อะไรแบบนี้เนี่ยเราต้องตั้งข้อสังเกตเพราะอะไรต่างๆมันจะออกทางสีหน้าในการปฏิบัติโดยเฉพาะยิ่งสีหน้าสีหน้ามันไม่โกหกแต่ปากโกหกนะงั้นมันเกียดมากก็ไม่ปากพูดแล้ว ถ้าเลี้ยวมันนักธิมมลาฟังหิมเขาจะปิดปากนายปากพูดวัตถุ ก, กัลลิมูนาไอดีหิมให้มือพูดให้เท้าเป็นพยานว่าตะชาดูอริยุรุมบิมาการูยักษีบุญโอ้โหมือพูดเท้าเป็นพยานสาดูมาซะดีไม่พูดเข้าข้างเราเลยปากไม่พูดนะมีคนเล่า ว, ว่าเวลาปากมันพูด น, ะนี่เขาเล่าตลกตลกฟังรู้ตลกหรือปา ก, กมรู้ปากก็หกเก่งมายัดถูกฝังมา ถูกฝังมาหลายวันแหะเขาาเล่านะบริกามาสอบสวนที่ยิงมาฝังเสร็จเขาก็สอบสวนละปากเขาบอกอะไรล่ะสอบสวนอะไรนี่เมื่อกี้มาทีมาตั้งแล้วหรือมาอทีไงเนี่ยเนี่ยปากพูดใช่แต่าปากพูดว่ า, ามาแล้วล่ะทําไมมาอีกล่ะตอบไปแล้วไม่ตอบแล้วนี่ปากพูดแต่อามันตอบอามันมาตอบจะมาตอบแบบไหนมายังไงอลัลลอฮฺเป็นผู้จัดการ งั้นตอบด้วยอีมานด้วยอามั่นสอนแล้วไม่ใช่ด้วยปากวันนี้ปากพูดได้แต่นี้ทั้งทั้งที่ปากพูดได้อิสลางก็บอกรายละเอียดว่าฟันยากุ่นคอยรอัลียัสมุดพูดในสิ่งที่ดีหรือไม่เช่นนั้นก็อย่าพูดอาลลียัสมุดหรือหยุดนิ่งไม่ต้องพูดแล้วอย่าพูดทุกอย่างพูดในสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์แล้วพูดไม่เป็นประโยชน์ไม่ต้องพูดอย่าพูดทุกอย่างที่คิด จะไม่ได้หยุดพูดทั้งวันคนทําถ้าพูดทุกอย่างที่คิดพูดทั้งวันคิดยังไงกับพูดทิ้งยังไงก็พูดทิ้งยังไงก็พูดเดี๋ยวจะไม่ได้อยู่ในบ้านต้องไปนอนโรงพยาบาล น, นะตอนนี้พมเห็นเมริกาไม่ยื่นมือไปก็เกิดความกลัวก็มีความกลัวเฮ้ยื่นอะไรกันเนี่ย มันมีปรากฏ ก, การณ์อะไรจะเกิดขึ้นอีกก็รูกล็ลูลาตะครกพวกมิเลกันก็พูดว่าลาตะคอรท่านอย่ากลัวขอฟายอย่าคอฟูตะคอฟูลาตะคอกอย่ากลัวอินนาอุลสินนาอิลาก้มีลูตินแท้จริงนะครับ เราได้ถูกไลเราได้ถูกส่งมายังกลุ่มชนของลูดกลุ่มชนของลูดลูดเป็นลูกของฮารอนเป็นน้องชายของนบีอิบรอฮิมฮารอนเนี่ยเป็นน้องชายนาบีอิบรอฮิมนบีอิบราฮิมรอดปลอดภัยจากไฟเดินทางไปปาเลสไตน์ออกจากเมืองกูฟาหลังจากนั้นกษัตริย์นำรุด หลายท่านที่กษัตริย์นำพุทธเสชีวิตนบีบรูฮิมก็โดนกษัตริย์นำรุนใช้คานดีดนบีบรูฮิมเข้ากองไฟวันนั้นได้บทเรียนยังไงคนโดนถูกดีลงไปในกองไฟน่ะไม่ได้วิตกแต่ผู้ละฮัสบุนัลลอหวั น, นี้มัลลากีนเป็นที่พอเพียงแล้วที่อัลลอฮ์เป็นผู้ดูแลคือมอบหมายตนตอน่อหลอนี่นี่นบีบรูฮิม อยู่ทำกลางกองไฟนะ่ะอาร้อสัง่งอ่ะให้ไฟเย็นแล้วก็ให้ความปลอดภัยแก่ น, นบีบรอฮิมทจริงน่ะดูสิดูสึกความความไม่ตาของเราให้ไฟเย็นนะ่ะถ้าไม่บอกว่าวาซาลามันอนะไรบรอฮิมอะไรความปลอดภัยกั น, นบีบรอฮิมเย็นนะ่ะตายได้นะ่ะไม่ใช่ร้อนตายได้อย่างเดียวนะ่ะเย็นนี่ก็ตายได้นะย่านะ คุณนายกูนีบัตดันวสลามะนาลิบรอให้เย็นด้วยและให้ความปลอดภัยด้วยนี่คืออะไรคือความเมตตาของลอถ้าบอกให้เย็นอย่างเดียวไฟไม่ต้องร้อนเดี๋ยวก็หนาวตาเย็นให้ความปลอดภัยเดวนนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะนั้นคำว่าฮัสบุนลอก็เหลือมาถึงท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลสลามที่ศัตรูกุม่มุลทำลายรวมตัวกันจะฆ่าท่า น, นาบีมุฮัมมัดสลลัลลม นับถือว่าฮัสบุนั bon ่นแวันนี้อมนวนะฮัสบุนัลละวนี้อมนวกนนี่ น, น, น, นี่คือสิ่งที่ต้องมีกับตัวเราเราอ่านเรื่องราวต่างๆก็มีกับตัวเราก็เหตุการณ์ต่างๆอะไรนี้มาเกิดขึ้นแล้วก็วิกฤตที่เกิดขึ้นที่เราสังเกตก็คืออะไรทุกครั้งที่มีการทำลายจะมีความเจริญทางด้านวัตถุ ศีลธรรมตกต่ำกาบไหว้รูปปั้นปนสดมนิยมรักร่วมเพศดื่มเหล้าร้องราทำเพลงโอ้เดี๋ยวนี้เต็มไม่หมดรักร่วมเพศเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนเพศหญิงเป็นเพศชายเยอะแยะนี่ต่อไปคงอาสาบแบบหนักๆเลยจะลงมาเนี่ยเพราะวิกฤตที่เกิดขึ้นก่อนๆเนี่ยอดีตเป็นสิ่งที่สอนอนาคตบอกอนาคตว่าจะเป็นยังไงนี่ไมีอะไรบ้าง มีความจเจริญทางด้านวัตถุโอ้อยู่บนภูเขาเจาะภูเขาอยู่ในที่พักใช่ไหมศิลธรรมเสื่อมการไหว้รูปปั้นปนนิยมรักร่วมเพศดื่มเหล้าร้องรำทำเพลงนะและพวกนี้ถูกทำลายเพราะอะไรอาลย์ให้เมริกาสามท่านนะฮลเราให้เมริกาหน่ะมาทำลายพริกแผ่นดิน นี่คือประวัติศาสตร์ที่มันเกี่ยวพันกับเรื่องต่างๆที่ทําให้เราได้รับรู้ว่าวไงนะการถ่ายททษของชาติการลงโทษต่อชาวสมุทรและการลงโทษของชมกลุ่มอื่นที่เทวดาต่อเลาะคนเหล่านั้นนะท้ายสุดก็ถูกทําลายแล้วก็เป็นบทเรียนสอนชีวิตให้เราได้รับรู้และเป็นข้อเตือนใจก็ฝากสิ่งเหล่านี้ไว้กับพี่น้องแค่นี้สุัสดีครับทุกท่านวันนี้ขออนุญาตอาเดลและอิลาอิลาอันตาสตาวิโรกาวาตูบิไล